1. ความรุนแรง 2. ยอมจำนนซึ่งอาตมานอาจจะบรรยายเป็นภาพให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้นะครับ 2ทางเราเรเฉลี่ยการ1นึรุนแรง2 อ, อ ย, อ, ยอมจำนนไน้ค่อขอ้ตมานี่ยสังเกวิธีคือทางสายกลางสังเกตวิธทางสายกลางคือทางสายกลางเนี่ยก็ต้องไปดูว่าไอ้รุนแรงเนี่ยนะมันตรงข้าวกับการยอมจำนรน ร, นรุนแรงคือการพยายามแก้ปัญหาเราใช้รุนแรงเพื่อแก้ปัญหาจ้ะ แต่ยอมจำนนเนี่ยคือถอยหอนีไม่แก้ปัญหารุนแรงอาจะใช้ความกล้าแต่ยอมจำนเนี่ยกลัวถามว่าสติวิธีกล้าไหมสติที่กลัวหมสติวไม่กลัวสติวิธีก็กล้าเหมือนกันเพียงแต่ไม่ใช้ความนแรงสติวิธีเป็นทางสายกลางนะฮะที่อยู่ทีู่ตึกระงระหว่าความรุนแรงและ ตอนจำลองแล้วทำไมต้องแบบง่ายๆนะมีีคนอื่นเลยก็เป็นซอยเปรียวแล้วมีผู้ชายเนี่ยกลายก็เอาไปชิดและใช้มีนจีไม่ใช้มีนจีกันแนตะอาจจะใช้เอาวไว้จากอื่นกะันในสารตาเช่ดนี้เนี่ย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 หยุนิ่งหรือแต่ที่สู้ก็มีใช่ไหมที่ตายเขาสู้ก็มีใช่ไหมสู้นี่คืออะไรสู้ด้วยอะไรกำลังเสื่อช่วยด้วยอะไรด้วยกำลัง่กำลัที่ังแต่ถ้ายอมเเอาไปเนี่ยเราถอว่ายอมจนถามว่ามีทางเลที่สามอ่ีฮะเช่นอะไรฮะ้ไม่นดงแรง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 ว่าคือแรงือมุนแคือนแรเนี่ยมีหลายแบบดูแรงมีหลายแบบตั้งแต่ว่าใช้ปืนจิงหรือว่าใช้ระเบิดบอลก็ด้เลยใช้ปืนริงที่รแรลองลงมาก็อาจชทตว่ตุ้ยทองตุ้ยทองลองลงมาก็อาจจะีใช่แต่สกี่ตรงน ตรงกลางเหรอไอคือตรงกลางมั้งคนแล้วคนไหนนะลวก็ยิงด้วแฉงมั้ยยิงถึงผมแฉงมั้ยไแาียังไงฮะยถึงผมไม่แฉง ถ้ามีคนทกับพวกเราแบบนี้นี่อใจถ้ามีคนทํากับน้องกับลูกเราเนี่ยเราพอใจม้ทียผลกับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเรางนียเราเรามาตรงนี้ก่อนว่ากรเรียนตอบสนองเนี่ยเพูดกฎหมายเราพูดเรื่องว่ารุแรงกับไม่แรงหรือยอมจำนนดูง่ายๆเนี่ยรุนแรงเนี่ยคือว่ามันทากับเราเราชอบนะถึงบิด ก็จะถูน้ำลายใส่ ห, ในหน้าหรือด่างคือตรงง่ายๆคือว่ามันทำกับเราถ้าสิงนห้เกิดกับเราเราพอใจหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาบอกว่าเราไม่ใช่คแรงเพราะว่าสิ่งลนั้นเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ดีเพราะว่ามันแรงเพียงว่าความแรงมันมีมันมีมันมีความอ่อนและความเบาแตกต่างกันไปเพื่อสเกลสเกลนะฮะ้กบเดือน100 หนาวสูดลมสาเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่ อ, อนคราวนี้นะสันติวิธีเนี่ยเวลาถุกจีเนี่ยมันมีอาจจมย่อย่างตัวเยอะเลยเป็นเรื่องจริงยกัอย่างเช่นมีพีแก้คนนึ่งซื้อของสองส อ, งส ถ, อถือไปปซื้อของมาือถุงเนี่ยงอ ง, องถุงเนี่ยก็ไปซอยเปลี่ยวเจบบว่ามีผู้ชายสองคนเนี่ยตรงเข้ามาไริตัว ตรงนั้นเป็นซอยปีย่คุณยายคนนี้เนี่ยตะโกนร้องขอความช่วเหลือก็ไม่ได้การตะโกนจะเป็กสันติวิธีนะไ ฟ, ไ, ไ, ฟ ไ, ไหม้ไฟไหม้ใช่มก็ยคนมาช่วยอันนี้ก็สันติวิธีอาจจะอยู่ตรงแถนี้หลวิ่งหนีอาจจะอยู่สถวๆนี้คือมันมีมันมีสกมันนะแต่คุณคุณยาย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 ก็รับไปรับไปแลก็ไปกลายเป็นเวลากระกลายเป็นพระเอกแบบจำเป็นแต่ที่จะมาจี้เนี่ยบอกว่าเจอคุณยายุณยายผมชมอย่าบอผมท้ออยีดีเหลือเกินแล้วมาช่วยฉันกาช่วยคุณายอว่าเดินพาขนของให้บุญยาไปส่งที่ตัิน ก, ก็ใช่อันนี้เนี่ยคืออันนี้คือทางสายกลางไหมระหว่างรุนแรงกับยอจงงมจำนนมีคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นผู้ชายถุกจี้เวลาการถุกจี้เนี่ยพวกเราพกเรานี่มัจะคิดแค่สองทางคือยอมจำนนกับรุนแรงคืออย่าพูดถึงเรื่องภาคใต้เลยเอาแค่ถุกจี้เนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่ามันัดมจีไม่ได้หรอกมันต้องรุนแรงแล้วก็ยอมน แต่ในชีวิตจริงใระทรวงารคลเหือนมาเนี่ยมันแก้ได้ด้วยสันติวิธีรพรณีผูคหญยา ย, ยัางมีเยอะมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายก็เดินไปในซอยเกิดที่สองคนแนก็อเอินไปนะแต่ว่าคนที่แกแกระัลายก็ให้เอาเงินเอไปเสร็จแล้วแกก็ถามว่าพี่คงไม่ใช่คนทำนี่มั้งโจมก็มาถามว่าใช่ใชเงเินอะไ ผมตั p, ้งนั th th <À. S 1> ่งเสียงี่เนี่ยรู้สึกันเป็นคนรักันแต่ก็เออใช่ตนีสุิดว่าผมกัเรนกก็เลยคุยกันคุยกันสักพักเนี่ยคนกเรกันมั่อนึงตอนเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แกกันหงในสที่เป็นตนมันก็บอกว่าตอนที่แยกับอกเฮ้ยคืนาไเอ บนที่ขณะที่ยืนอยู่บนทางถนนเกาะกางถนนหน้าเราที่อหนนะแกไปแกได้ถึงเป็นก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 ต่อมาเขากระลุนลงเรื่อจนกระทัางมีกฎหมายให้คนดำเนี่ยไปเรียนในหน่วยชายเตอรเขาได้แต่ว่าก็จะถูกดูถูกหลังแกมีเพียงคนนึงชื่อคอรเรต้าแกเป็นคนแรกเป็นคนดำคนแรกเป็นผู้หญิงที่ไปเรียนในเม้าเที่ยวไรและเวลาแกก็จะถูกคนก็มองหรือโหโดยเฉพาเวลาไปนั่งในห้องเรียนห้องเรียนเขาเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นเป็นแค่เป็นเป็นเป็นอัจรยนะ จดนะแกกไปนั่ข้างหน้าในห้องเนี่ยมี่คขาวทั้งนั้นระหว่งที่ครูยัไม่มาสอนเนี่ยก็บอว่าต้องจะมีคนโยนผลไม้เช่นมะเือเทศไปที่ปีคนนี้คือเราคอเลนต้าติบ้างถูกบ้างโดนๆมะเขอเทศแดงแไอเาอท้องโกรธท้งหายแแกก็ยอมนะ จะทำยังไงนะก็คนกขอ้องคุณชายแล้วก็เป็นคนขาวแกก็ยยแย่แกบแกอยากจตัด่าวรู้สึกความแย่มากแกกจะเลิเรยแล้ววันนึกตัต้งใจว่าแกจะไม่หยดแกทำไงมีคนโยนมาถูกว่าแกไม่รู้เป็นเป็นว่ือเทพเป็นอะไรนะแต่ไม่ตัดทีเดียว ถ้าไปเราทำไรเลื่อนกลับใช่มเลย่นกับนี่เรียกว่าอะไรแรงไหมไม่รู้แรงนะแแต่ว่าอาจจะอาจจะอาจจะอยู่เท่านี้ไม่ใช่เอาปืนยิงไม่ใช่เอาีแทงถ้าถ้ามีรอมีแทงระเบิดข้ามันตรงนี้เลยปว่แก่จิผลไมน เราก็เดินไปที่ผู้ชายคนนั้นทีกขวางแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วถามว่าที่กองคุณหรือเปล่าเสียงโ h ดังลั่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ h o ส่ ใ, ใส่สนนะผู้หิดโะ hoe ใส่ผู้ชายแต่หลังจกนั้นมันไม่มีการขวา้างเลยนี่ลนะคือทางสายกลางระหว่างการใช้คุนแลขวา้างตักดา จากพ่อราอแม่หรือว่าการอยู่เฉยหรือแม่ก็หริอใช้ไม่พอบางทีอาจจะลาออกจากมาเชื่อใจกันเลยมันมีทางเลือกนะแล้วก็บางทีมันก็ได้ผลนี่คือสันติวิธีน ะ, ะใช้แหลรใช้ความกล้าใช่ความใจถ้าก็อย่างใหม่พวกเราถ้าเพวกเราอาจจะเคยเจอหนาหรอปร่าอยู่ในซอยอย่ใงแล้วก็มันมี พวกแหวลูเนีชอับรซิงที่เนี่ยจะไมีหน้าที่บูมนชอบขับรซิงอยู่ในซอยทรงเสางกฎหมายสอนไ่ได้อ่ังสือก็อานไม่ได้นังสมาธิก็นั่งไม่ได้เลยดิดติดติไหมดเลยทยังไงฮะตอนนี้ยอมเหรอยอมก็ได้คนเสืก็ยอมใช่ไหมมีสิ่งีก็ เรจะโกงึงเชือกใช่ไหมหรือแม่ก็เอากระหนงว้างขึงเชือกอาจจะถึงคงนี้ดูแลเหมือนกันเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วถึงเชือกมนก็ถ้งมันโดนเชือก็เจ็มแหละใช่ไหอาจจะถึงตายได้ารให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยขึงเชือหรือว่าสู้ยิงเลยกริงควาันวิธีคืออะไรงไง บางวิธีอาจจะหมายถึงการเอาเอาไม้ม า, มาวางพาดบนถนนที่เขาเรียกว่าอะไร<ม>เตรียมให้หมัช้ด้วยกวลูกละหน้าลูกละหน้าก็ได้ลูกละหน้าหรืออะไรจํารอหลังเต่าอะไรนี่ทำลูกะหน้าก็ได้เนี่ยเอาลูกละหน้ามาวางเนี่ย เอาลูกรานมาวางเนี่ยมันวิงมันมันวิ่งเร็วใช่ไหมเอาลูกระดานมาวางใน่โซสังเทวิธีลแบบนะสังเทวิธีทำได้หลายแต่แบบคุยเจรจารหรือว่าสร้างเงื่อนไขที่ทาให้มันวิ่งเร็วไม่ได้ไนะแล้วกระมอเย็ดแก้อธิบายนะว่าสังทวิธีเนี่ยมัน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 แต่เป็นการแก้หรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ใช้ความรุนแรงหนึ่แก้ปัญหาหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสองไม่ใช้ความรุนแรง3เพื่อให้เกิดสันติสุขนะถ้าทําให้เกิดความวุ่นวายก็ไม่ใช่สันติวิธีนะฮะแต่ว่าบางครั้งอาจจะวุ่นวายเพื่อนําไปสู่สันติสุขได้ก็มี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 ไม่ใช่อยู่ที่พระราชแสงสัตร า, าค่พูดสั้นๆนี้ น, นะฮะซึ่งมันมันคือนิยามของสันติวิธีเลยคือหัวใจของสันติวิธีอำหน้าไม่ได้ที่ปืนน ะ, ะอำน้าไม่ได้ที่มีดหรือพระราชแสงสัตราอำน้าไม่ได้ที่กองทัพนี่คือประสบการณ์ของมือปราศการที่5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 ตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะฮะประเทศเซอร์เบียฮะเซอร์เบียนี่ประมาณ2ประมาณ 2,543 เซอร์เบียเนี่ยมีโรเซวิคเนี่ยเป็นผดด ก, การซึ่งทำให้เกิดสงครามในยูโกสลาเวียที่เราได้ยินว่าบอสเนียเซอร์เบียเฮอร์เซโกวินาบอลคานที่ฆ่ากันและเทะเนี่ยมอนี่ฮนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนทาให้เกิดสงครามขึ้นโรเซวิค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 ประชาชนไม่พอใจเนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือว่าคนค น, นเหมือง่านนี่น ย, ยงานระทุมมิโเียมิโซีส่งกองทัพไปกดที่แต่ปรว่าประชาชนเป็นแสนเข้าขวางาหายก็ไม่กล้าหายไมไม่ได้ใ ม, มิโซียที่เจียบควบคุมขัดขวางประชาชนประชาชนปกว่า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 เอ่อควาับประชาชนเราะขสิญสียความชอบธรรมจดกายอีกกรีนงคือฟิลิปปินส์จำได้ไหประธานดีมอลคอสประธานที่มอลคอสซ้อนนาเป็นผลิการแก่ไปรัฐธนโดยทั้งแต่เป็นเป็นเป็นประธานทดีไม่มีตัวหนึ่งและก็ฝ่ายท้ายที่ชืนดีประเทศเนี่เดินทางเข้าประเทศนี่หน่อยอคิโ่ก็ถา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 รัฐมนตรีกราบโหมและผอตบอของของของของมากอสก่อรัศอาหารก่อรัศอาหารเมื่อคอมชอเนี่แต่ว่ารักษ า, ารไม่สาเร็จลมนี้มาอยู่ค่ายทหารค่าย ก, ากราบนี่ ย, ยาาลึกข้ามน่อนรัชการไม่สำเร็จแลมารลุดในค่ายทหารนี่ยตุ่มบอมแน่นเลยมากอสเสียงก็ะเสีงก๊องก๊เ้าไปบทที่ยี่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 แต่าบกว่ามารคอสทาม่สำเร็จเพราะว่าประชาชนไม่รัฐบาลทหารไม่เอาด้วยทหารไม่เอาด้วยมาคอสก็ผมดยาประชาชนไม่เอาทหารไม่เอาตำรวจไม่เอามาคอก็เลยต้องหีออกประเทศไปในเวลาแค่4วันแลังแต่มีการชุมประท้วงล้อมค่ายพรเมไว้มีการใช้สถิติที่คุณมองนี้เนี่ย หยุ ง, งานปิดโรงเรียนปิดหน่อเชลยเพื่อต่อต้านควาเป็การในทาติอเมริกาเจ็ดสบิบเอดสัด์ปิดโรงพยาบาลหยุด ง, งานทั้งประเทศรัฐบาลประฏิการก็อยู่ไม่ได้ในลอเมริกาทรามมีกี่รัฐบาลที่ถูกโค่นลง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 ก็คือประชาชนไม่เชื่อฟังประชาชนไม่เชื่อฟังรัฐบาลประชาชนไม่ไม่สัรสนุกรัฐบาลราลี่ไม่ได้กระทั่งที่มีกองทัพตรงนี้คือคื อ, ค, อคือพลังทา ง, ออ ง, ง, งการเมืองสันติวิธีหรือการไม่ให้ความสามเสน่ไม่ยอมรับหรือถอนความร่วมมืออันนี้ นี่อัชนาลจลพลังทางการเงินสถิติยมีพลังทางใจฮะพลังทาใจคือการที่อกชนาใจการอัชนาใจในิเรียนี่ยมันเคยมีมัเมีมีคนเียกกระทวงนะคือเขามีอะไรที่เขามีการรังเกียดชนชั้นวรนะกัน แต่ไหยไหว่าจนชั้นคนรักสูตเนี่ยเดินผ่านโบสถ์เนี่ยของพวกพราหมณ์เนี่ยไม่ได้ก็มีพวกขันธ์ทีเนี่ย้็ไปเดินผ่านตุกจับนะเดินผ่านเนี่ยเเป็นวรรณะเป็นวรรณะาเป็นค น, นวรรณะกันเดินผ่านแค่เดินผ่านหน้าโบสถ์ตุกจับ พอตุกจับเสร็จคนอื่นก็มาเดิน น, นั่งตุ่จับนี่ก็มีคนมาเดินมากที่เรียจนากาทั่งตำรวจเนี่ยใช้วิธีแก้คือเอารั้วมาขวางเอาไว้ขวางถนนไม่ให้คนเดินผ่านปกากฏว่าประชาชนก็มาออมมาชุมนุมมาอยู่หน้ารั้วยี่สชั่วโมงนะฝนตกก็อยู่แดดร้อนก็อยู่ตัดเวรกังก็ละชั่วโมงจนน้อ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 นายพลสายสิทธิเนี่ยก็ส่งกำลังเข้าไปนำกำลัง้ไปที่หมู่บ้านแต่เมื่อถึงหมู่บ้านแล้วนะไม่ได้ส่งกำลังเข้าไปจํบนะตัวนเนี่ยเข้าไปเข้าไปนั่งฟังยืนเงียเข้าไปนั่งฟังคนเดียวยืนฟังนะเสร็จแล้วสุกั้เนี่ยจที่อคอร์ทที่กลัต่อระบเกี่ยะรวมในีรัฐบาลสาธสิทเสียให้เขขึ้นไป วันไหนทีนะวันที่ ที่ภาคที่ก่อนนั้นต่อมาอีกสักก0ปีเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ก็คือว่าที่ภาคที่หน้าเนีนเนเขตมัเป็นเขตเขตทางที่ไม้ของกาะและปรอกว่าเจ้าหน้าที่ในภาค3เนี่ยก็เข้าไปก็ไปแกนนําซึ่งเป็นชาวโน้ตกไปตัดแกนน้ำที่เป็นชาวน้พอดข่าวไปถึงไปถึง ที่มั่นว่าพ่อก็ขอที่ผู้นำชางว몽ถูกจับได้เพราะกว่าคนที่นั่นเนี่ยดีใจ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 ตาไปกินกึน่งตี๋เขาเป็นผ้นำแล้วก็ปล่อยออกมาพอผู้นำชาวมงเนี่ยถูกแจ้งทิปปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยอกว่าผมเห็นใจเขออกเยนึ่งที่ต่อไนี้เไม่ขึ้นเขาเลยไม่ขึ้นเขาอีแล้วเพรตัวไม่ไม่ไมเป็นลูกตุกบ้านแต่ไมเป็นลวมเป็นเป็นแกนน้ำให้นนขออกข้อถอยนะ บอกว่าแกนํำในกรปทเนี่ยพอได้ข่าวนี้ก็บอกเลยว่าเราเสียทางเท่าน้วเราแพ้ทางเท่านั้นแล้ ว, นนวคนที่แกมาพูดาากันทำไมนะฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นน ก, ก็เป็นก็มามีบทบาทในใ น, ในกรรมการสิทธิเราแพ้ทางเท่า้กทแพ้ทางเจ้าหน้าทีพอะเจ้าหน้นททานนที่เนี่ยแทนที่จะใช้วิธปราบทรบมานใวิธีชนะใจนี่คือ นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การเอาชนะการเอาชนะพอกระถอได้ด้วยตามเมืองตามทหารที่หลัต่อมาือวน่เิ่มสันติวิทีอันหนึ่งแะสนวิธีเนี่ยมันมีพลังอย่างแรกคือมันชนะใจคูก่กรณีนะไม น, นี่ไม่ได้ดเรื่องพลังการามเมือง น, นะเมื่อกี้เราพูดพูดถึงพลังการามเมืองวิธีนวให้เรารู้ทั้งทางใจ หังจากสถิติวิธีเนี่ยหนึ่งมันชนะใจผู้กรณีชนะใจพอคอชนะใจชาวมหรือว่าที่การทีชนะใจชาวกราแต่บางครั้งเนี่ยมันชนะใจผู้กรณียากชนะใจผู้กรณียากแต่สิวิธีมีอย่างหึงคชนะใจฝ่ายที่สมฝ่ายที่3คือประชาชนสถิติวิธีชนะใจฝ่ายที่สา และบ่อยครั้งเนี่ยที่ชนะใจได้พราว่าสันติวิธีผู้ช้เสชี้เถูกกระทาด้วยความรุนแรงลองสังเกตไหมเวลาใครเนี่ยที่ทำเพื่ อ, อว่าจะสันติวิธีเนี่ยอยู่ไม่ใช้อารมเนี่แล้วก็ถูกกระทาด้วยความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐเพราะกลว่าเขาได้รับแรง ส, งสนับสนุนความเห็นวิจัยจากประชาชนเยอะมากและบางครั้งควา ม, มิเห็นวินจนีเนี่ยสามารถที่ทาให เจ้นาที่รัฐบาลเนี่ยเพี้ยมพรั ง, งหรืออาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็มีนะมาสามารถรยกตัวอย่างยยยยเยอะแยะได้เลยนะซึ่งมาได้เขียนไ้ในหนังสือเรื่องสร้างสนติมือเราเช่รัเซียรัเสเซียเนี่ยประมาณเกือบร้อยปที่แล้วเขาส่งกองทัพบไอบุที่ประชาชนที่มาชุมตายกันเยอะ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 ใกล้ตวเม่อสิบสิบตุลาสิบสิบตุลาประชาชนชุมนุมเป็นล้านล้านมือเปล่าแต่าก็ว่ารัฐบาลกองทัพใช้กําสุนทหารเขไปทำลายประชาชนจึงกับมีการใช้ปืคอมพิวเตอร์ยิงลงมาขงล่า เตุการณทั้นั้นก็ประชาชนก็มีการตอโต้มีการเผามีการอะไรก็ไม่ใสันติวิธีล้วนๆแต่ว่าล้วอย่างสันติวิธีแล้วก็ถุ ก, กระทาบอกว่าสักกัรก็อยู่ไม่ได้บางคนหลังก็ห่อไปเพราะว่าประชาชนทั้งประเทศเนีย่นเยเทใจให้กับฝ่ายนิสิตนักศึกษาที่เลีลย้องราฐธรรมนูญามคนมีคนต า, าย่า ปะานตาเศืสาตามีฮะ ค, คือสันติวิธีนีไม่ใช่ไม่ตายนะฮะเดี๋ยวเือสันติวิธีเนี่ยคือการเดินบนบนพรมรวมแล้วเป็น7จไม่ใช่สันติวิธีก็คือการเดินบนขางนสติวิธีหมายถึงการเปโอกาสให้เ้าทำายก็ไม่มีอาุอต่อสู้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 ไม่ให้ความสนใจผู้ที่ใช้กำลังจนถ้าถ้าเป็นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้พังประชุมรรมินก็เป็นตัวอย่างนึังปรนะุมธรินนะถึงแม้ว่าจะมีรถซิ่งเข้ามาก่าอกวนเข้ามาทำอะไรรอยแปดแต่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้กาลังทหารขเราขเราไปปรบล่าผู้ชุนคือผู้่วิธีในจุดแข็งของมันถือว่ายิ่งถูกทำลายมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากเท่านั้น อันนี้คือพลงขังใจนะให้ดูาของจันทวิธีนเนี่ยคือชนะใจประชาชนเลยพราะเวลาถูกทำลายนะฮะขอเ น, น้นเลงนะจันทวิธีนเนี่ยจะจะได้จ ะ, จะสามารถชนะใจประชาชนได้เลยพร้อเพื่อถูกทำลายและให้กลบโต แล้วผลเสี ย, ย, ยก็จะตกมาอยู่ที่ผู้ที่ใช้กำลังเองจำได้ไหมฮะเมื่อสมัยทักสิบปีที่แล้วเนี่ยมีสมัชชาคนจนเนี่ยนะเข้าไปชุมนุมกระทู้รัฐบาลเสร็จแล้วเขาเนี่ยปีนกำแพงทำเนียกเข้าไปนะที่กดหมายนะฮะปีนกำไพงเข้าไปพระเจ้าชินก็ไม่เห็นด้วยนะ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 ในที่ก็ไปปีนปีนกำแพงทั้งเทียเข้าไปเนี่แต่ก็เขาถูกทหารให้ตรำรวจทาร้ายอย่างภาพที่เห็นทางสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนขั้นงหรือเมื่อตอนที่ ช, ชาวบ้านที่เขาจุกงเขาห้าทั้เทียวเขาเรียกร้องให้ขึ้นอาคา า, าหาลังแล้วก็เขาอว่าตารวจที่ส่งหมาไป เ, ปเปอหมาไปไล่ตัดในทั้เทีย พอเป็นขาขึ้นมาชาวบ้านนี้เจ็บนะชาวบ้านเจ็บชาวบ้านยอมแพ้แต่ตำราจก็เสียด้วยรัฐบาลก็เสียด้วยก็ชาประชาชนยอมก็ไม่ได mm hmm. ้ลองสังเกตนะคือ mm hmm. สัติวิธีเนี่ยสันติวิธีเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยกสันติวิธีเนี่ยมีจุดอ่อน ตรงที่ว่าไม่มีกําลั ง, งมนุษุ์แต่จุดอ่อนนั้นเป็นอุ้งแข็งในตัวเพราะไม่มีกําลั ง, งมนุษย์เสร็จถ้าถูกทาลายเนี่ยก็จะได้ความนินใจและทําให้ฝ่ายที่ทําลายนั้นเนีเสียภาพก็เสียาการเงินนึกออกนึนกจำได้ไหมตอนที่มีการประท้วงคองประท้วงรัฐบาลทักประท้วงทักสิงนะพรรประปชารัฐตายประท้วงอยู่ที่อยู่ที่ตัวรัฐดำเนิน ก็มีการพูดว่าถ้าฝ่ายไหนใช้ความรุนแรงก่อนต่ายนันแพ้คือ ท, ทั้งที่เขาประท้วงเนี่ยเป็นเดือนแต่ว่าตำรวจหรือรัฐบาลเนี่ยไมกล้าที่จะใช้ความรุแรงเดดขาดกับผู้ชุมน ท, ท, ทั้งที่เ้าดา่านา ย, ยกทุกวันทุกวันกวนัพอถ้าใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่นะ ประชาชนก็จะเทใจมาที่ฝ่ายที่ถูกทำร้ายคือฝ่ายกันามิปัตบาลก็จะเสียการเมือแล้วก็่าจจะขอร้องการให้อีกฝ่ายนึงเข้ามาช่วงชิงอำนาจได้เพราะฉะนั้ น, นก็พยายามที่จะไม่ใช้ความือนแรงตอนที่มีการจะมีมีการมาะทวงความมาชมีการมระท้งคอมมาช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 เหมือนเหมือนเหมือนหอนลายกรีที่ที่มีามการพูดถึงกังงงนกรณีคือใช้กรณีตัดไปเนี่ยนี่คือตัวอย่างคือถูกคกิดไม่ว่านะแต่ว่าถูกพิจารณานี่เรื่องหนึ่งแต่ว่าพอเราใช้ความรุนแรงเกินเหตุมันกายมันายเป็นปัญหากับเจ้าที่บ้านเลยที่บ้านตรนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือคือความอ่อนไหว ของการของความอ่นานไหวในการจัดการกับสันดีวิธีซึ่งเจ้ที่รักเนี่ยยังยังไม่ระวังพอที่ผ่านมานะฮะยังไม่ระวังพอกับความอ่อนไหวตรงนี้ทั้งที่ทบทเรียนในปรติสาสตร์มันมีเยอะมากที่เห็นที่เห็นว่า้าใช้ความดูแลผู้ที่มีเด็กเล็เนี่ยมันเกิอปัญหา และตรงนี้คือจุดแข็งของสติิธีเหรอฮะจุดแข็งขอ ง, งสันติวิซึ่งเรามาิว่าเจ้าอาชีพรคฐมนจะเรีนรู้ไว้เ <c oughs> พื่อที่จะไม่ให้จุดแข็งของสติิธีนั้นเนี่ยมันมากายเป็นขออที่แงแทนฝ่ายบาน้นหรือทา้านกังก็สามารถใช้จุดแข็งของสันติวิธีนี่น เ, นเพื่อทาให้ฝ่ายที่ใช้ควา ม, มนแรงคือผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเขเพียงความ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 บางครงคู่กรณีกถึงเจ้าที่ัก็นใช้วิธีการที่ไหใช้วิธีประตูเใช้วิธีชุมลุงก็ใช้วิธีไม่ให้ความรุ่มใช้วิธีหยุดงานเรียกว่าค้อมบาหรือบางก็ใช้วิธีขวางเอาตัวขวางเอาตัวปิดปิดร้องค่ายเป็นกรแผงรถนุชนี่คือสันติวิธีของประชาชนแต่ฉันไปใชแต่รัฐบาลรือเจ้านากก็มีสันติวิธีเหมือนกัน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 เรียกว่าซื้อใจนะซื้อใจและเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับ่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ซึ่งน่าจะได้ตอนนั้ก็ได้สองเรื่องพู้นี้มาจากัาจากเนี่ยจับแต่นที่ังเนี่ยที่ก็ามาไล่ส อ, อซึ่งก็ทำเงินเยอะนะเพราะมันเป็นวัฒนธรรไทยๆคือต่างใช้ความเป็นพึ้นกับใช้ความเป็นมิตรนะซื้อใจซจ้าหน้าที่สู้กนเรื่การอาวุธเนี่ยนะยิงกันแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยก็ซื้อใจ ก็ื้อใจ้จสัเร็จเนื้นะอะก็คนที่คุณนำชาวงม้งที่ที่ถูกปฏิบัติแบบเป็นวิธเนี่ยเขาก็ไม่ขึ้น เ, า ก, เาก็ไม่เข้าป่าพอเขาทรบซึ้งแล้วเขาคิดว่าเอเจ้าที่ราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนนึกนอันนี้ก็ทาให้แกนนาบอตทอ ท, ที่อบอกว่าแท้ทางคนะแท้ทางรัฐบาลคือถ้าจะชนะเนี่ยรัฐบา ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลต้องยี่รัฐบาลต้องต้องี่ย่ต้องปราบต้องฆ่า น, นี่รัฐบาลจะแพ้าพาทางพทแต่พอเจ้าที่รั้นเนี่ยปฏิบัติต่อเขาด้วยด้วยมายเตอรจิตเนี่ยบอกไว่าพบททางทางที่แพ้ท า, างเจ้าที่รั้นและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราสามารถชน ะ, อะคอมมิชชั่นได้ในช่วง20ปีท25ปีที่ผ่านมาเรื่องกรณีล่าสุดเนี่ย ท, ที่ที่พัดตายเนี่ยสมบัติได้ได้รับทรามากรณีก็คือเป็นตัวอย่างเล็กๆแต่ว่าก็สคัญนะ เป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่พันในการใช้สันติวิธีอัตมาเรียกว่าสันติวิธีเหนกันก็คือว่าตํารวจน้องจิกเนี่ยตํารวจอเภอนองิกเนี่ยก็สืบสร้างว่าได้มีผู้ผู้ต้องหาหรือผู้ก่อความไม่สเนี่ยังตัวอยู่ในหมู่บ้านก็ยกกำลังาไปจับไปจับมาได้จับตัวมาได้นะฮะขณที่กจะเอาเ้นรถี่ยบอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนะและและผู้หญิง ก็มาดุร้อนเจ้าทีไม่แห้อไปเราเราคือผ้าธนบิณฑเจ้าที่จะทำไรคต้องสู้เลยต้องสู้ไม่มีบทที่กฎไมายนี่มันปกอบกาไม่สมบูรณหนึ่งมีหลักฐานพรากว่าก็ก็ไม่ได้ต่อสู้กับไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ไม่ได้มีการประทาะกับกับชาวบ้านนะแถมปรากว่าผู้ต้องหาก็ปล่อยก็หลุดไปต้องไปล่ตัวผู้ต้องหาไปแต่พรากฏว่ารุ่งขึ้นมาใหม่ ตัวเช่นคนาใหม่คราวนี้ก็มาตรวจค้นบ้านผู้ต้องาแล้วก็อธิบายว่าทำไมถึงตรวจค้นมีหลักฐานอะไรว่าเขาเป็นู้ก่อข้าไิษสงบแล้วก็มีการส่งเ้าที่ไปไปสปใอพันก็้องกฏว่าตังแต่วันนั้นมาเนี่ยนักแต่งที่ไปเขาแ้งกับชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยมีท่าทีเป็นยงอยิ้มแย้ม เพราะว่าการเรียนรูนี่ใช้ความเป็นมิตใช้ความของเรีย น, น, น้งด้วยนะแม้ว่าจะเสียผู้ต้องหาไปแต่ได้ใจชาวบ้านนี่สำคัญนะเสียผู้ต้องหาไปแต่ได้ใจชาวบ้านซึ่งกนานทำเชื่อมันดีกว่าจากผู้ต้องหาได้แต่ว่าแต่ว่าําให้ชาวบ้านเกีดชังนะได้หนึ่งได้ได้หนึ่งแต่ว่าอีกว่าเป็นสัตรู ในตรงนี้เนี่ยอัตมาขึ้นเป็นสนิวิธีนะฮะสนิวิธีไม่ได้ไหมายความว่าไม่องไมงมีการจับกุมนะฮะสนิวิธีมีการจับกุ่มนะฮะมีการใช้วิธีการตามกฎหมายแต่ว่าทำด้วยความเมตตและมความเป็นมิตแล้วก็ไม่ไม่ไปก่อปัญหาใกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นจะจะจับผู้ต้องหาแต่ว่าไปประทบกับเจ้ากับบ้านหรือว่าผู้หญิงเนี่ยที่กชุมุมก็ทาให้เกิด อันนี้เ็ตัวอย่างเล็กๆคืออย่า ง, งาที่ชื่อเคิดว่าในสามตัวใช้ทั้งๆที่คนทำแบบนี้เยอะแต่ว่าไม่เป็นข่าหรือว่าไม่กม่ค่อยปรากฏเราเพจะได้ยินแต่เรื่องของที่มาดูแงเราก็เลยคิดว่าที่มันต้องใช้วิธีดูแลก็สันติวิธีไม่ได้กผลให้เขาไม่ได้ผลก็สําคัญนะว่าอย่างไรจึง เ, เรียกว่าได้ผลอย่างเช่นที่พิเศษสมายุติยาชาว บ, บ้านมาชุมนุมกันที่หน้นาถนนบอกว่าตำรวจเข้าไปจับจับได้หมดเลยนะ แต่ว่าชาวบ้านหัวราทั้งแตกเลื่องอาบเด็กถุกตีเงี้ยถามว่าสำเร็จถรุ่งเรืจับได้หมดเลยนะแต่ว่าผ้าที่ปกวดต่อสู้บนเนี่ยมือเด็กเด็กถูกยับพุ่ยเปื้อนเลือดอาบเลยอันนี้ถือว่าชนะในแง่ของนิจทวิทีแต่แทยในจุดยุทธศาสตร์ไท้ใด้ต่าง มีตัวอย่างงด้ไงตัวอีกตัวอย่างหนึง่งมีตำรวจเนี่ยมีโจรสแต่ปวนร้านของที่มึงชนปืนร้านทอแ ล, ล้วก็วิ่งหนีไปตำรวจอยู่ในเหตการณ์พดีนะก็ไปจับตำรวจมีปืนแต่ปรากว่าไม่พยายามใช้ปืนก็ไปต่อเข้าไปเข้าไปแต่ผู้ร้ายมีปืนตำรวจไม่ใช้ปืนก็ไป้าไป เข้าไปจับกุมจับกุ่มยังไงไม่ทราบมีรายเอียนนะแต่ว่าตำรวจได้รับปากแต่จับกุมโดนได้ถามว่าตำรวจเนี่ยถ้าไม่มีแต่งหาโดจับกุมเนี่ยได้ไหก็ได้ถ้าตำรวจมีปืนตำรวจใช้ปืนนะให้โจนท่านตายตำรวจไม่บาดเจ็ โจนตายแต่แต่เทียบกับโลอว่าจับโจรได้โดยละม่มแต่ว่าตำรวจบาเ็นี่ยถามว่าในสายตาชาวบ้านเนี่ยเขาชอบอย่างไหนในสายตาชาวบา้านเขารู้สึกกับตำรวจอย่างไรงเพร า, าระาราราราาว่ากำรวจคนนั้นเะนี่ยเรี่อการแทรกซ้อนสรเสื่อมแก่ชาวบ้านมากว่าอันนี้แหละคือผู้พิทสัติภาพตจริงคือมีปืนแต่ไม่ใช่เพราะถ้าใช้ก็าตายจนตาย แต่ว่าชาวบ้าจะบอกว่านี่มันแรงเกินไปเอาจจะไม่พูดก็ไแต่ว่าเขาแต่ว่าชาวบ้านใสารสนเทศบอกว่ายอมเสียสละเพราะถาใช้ปืนเนี่ยนอกจากจะไปโดนตัวไปโดนตัวแล้วอีไปโดนอื่นไปรกลมันมันไม่ใช่จับโยนได้เงินนมอมแต่เป็นบาดเจ็บก็ไม่ลมอมเป็ดเจ็บด้วยอนที่ว่านี่แหละสันติวิธี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 อันที่สองเนี่ยคือว่าสันติวิธีในแง่ของการแตกต่างการชุมนุมหยับสงบที่สําคัญมากนะเมื่อกี้เราพูดปถึงสันติวิธีในระดับบุคคลตัวต่อตัวระดับบุคคลต่อบุคคลแต่ว่ามันไม่พอเพราะว่าในบางครั้งมันมีการกระเฉงหน้ากันระหว่างเจ้าที่รัฐกับผู้่มความสมบกับผู้ชุมนุมการแต่งตั้งกับ ผู้ชุมนุมด้วยความสมดุลที่สาคัญนะครเป็นสันติวิทยาลัยจห <c oughs> มายไม่ได้จริ่การจับให้กจับคนได้นะเราช่วยจุ น, นันคือจหมายองจับจับคนได้แต่ว่าหัวร่างข้างแตกมีคนตายอย่างบรณีสั่งไปเนี่ยราคิดว่ามันไม่ได้กิเป็นความสมดุลเราเป็นความล้ ม, เ, มเหลว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 อัตรายอย่างทีนึภาพในเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อช่วงที่เกิดพิศคานทมินเนี่ยเราลึกภาพเนี่ยสมัยช่วงนั้นเนี่ยมีการชุกชุมที่ที่คนรัาเนิอคนเป็นแสนนะคนเป็แสนมีการโจมกาลังลากางวจทหารจาไปนตรตอชะดอเนี่ยเป็นเหมือนงานงที่สุ่มสงเข้าไปเข้าไปคุมพั น, นสมุนแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ตชาทําให้เหมือนใครนะฮะและเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนไม่ไมกค่อยมีคนบันทึกเอาไว้มีหลายสิอย่างที่ตชรทำเนี่ยไม่เหมือนหน่วยงานอื่นไม่เหมือนตำรวจไม่เหมือนทหารอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ได้รับฟังมานะจากจากตัวผู้บัญชาการที่อยู่ในผู้ผู้บังคับหน่วยเองซึ่งตอนซึ่งตอนนั้นก็เป็นเป็นแบบในพันเขาบอกว่า เมื่อท่าน้รับอาให้ไดกคำสั่งให้ส่งต่อชะดอนนี้เข้าไปคุมความสมุเนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าห้ามถืออาวุเข้าไปห้ามถือมอเข้าไปให้มีแต่กระมองนะแล้วก็โล่ถ้าบอกว่าให้มองผู้สมุนเนี่ยว่าไม่ใช่เป็นผู้ก่อความเดือดร้อนไม่ใช่เป็นอาญากรแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติ พูก่อกชทุกคนเลย่ว่าพวที่มาชุมุมที่ดเินนีไม่ใช่ผู้ก่อของความตึงแต่เป็นเพื่อนูชชาเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเอาผู้สไปเอาแต่กระบองและโลรวมทั้งไปหาหมกันนาอถ้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีหมวกันก็ไปซื้อมาแล้วก็คนสีเลยัดต่อชัที่หมวกันนตชด ให้แยกต่าหากัดเจนระหว่างต่อชะลอกับทหารนะพราะทหารเนี่ยวุ่นรลุกมือเลยกกเลอ่อานเดึงภาพออกนะแล้วก็เพื่อให้เด็ชั้นเนี่ยก็ใช้ภาพกานขอสีส้มภาพการ์สีส้มเนี่ยคนจะประชาชนจะรู้เลยว่านี่คือต่อชะลอไม่ใช่ทหารนะมีการตัดจุดเทียนบานเข้าไปหาผู้ชมเงิก<ม>็ไปช่วยผู้ชมเงต่ ด, ดุดยาบานก็เปนนะฮะ เอาหน้าไปแจกด้วยและวรกว่าช่งวงนั้นคือวันที่17มันเกิดการประทนกันเพราะว่าช่อผู้ชุมนุมเนี่ยจะเคลื่อนเข้าไปแถวไปไปยังไปยังกางที่รูปแล้วก็ทาทหารเขาเอารวบระนาวต่างแล้วก็มีการประทนกันความผู้วายเกิดขึ้นท่านผู้ท่านผู้ครับเหนื่องบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยกองฉันร้อเนี่ยห้ามทุบตีประชาชนแค่ตามนีน้เฉย ดันาะวบอกว่าถ้าดันไม่ถ้าดนไม่สเร็จนะก็ให้ก็ให้แยกให้ขสายกำลังแล้วไปรวมไปรวมกันใหม่ที่สอ น, นอดังเคือถ้ารู้ว่าถ้าถ้าดันแไปทุกกันเนี่ยตนเนี่ยมันมันงแนนดงใ้อาไว้แต่อย่าใช้อย่าใชอย่าใช้กระบอกตีดันให้สาเร็จให้ให้ถอยนะเพราะกว่าตัวเรามันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาใช่ไหม เกิดเรืมุ่งหมายขึ้นมามีการกระทะ ก, กันแต่ปรากฏว่ามีหลายหลายสิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าในจุดที่มีการกระทัะในจุดที่มีกา ร, รเผชิญหน้ากันระหว่างต่อชะลอกับผู้ชุ ม, มนุมเนี่ยท่านในผู้ชุ ม, มนุมเนี่ยพูดมาหลายๆคนว่าอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาให้คนที่เป็นต่อชะลอ อย่าไปทำเขาพุทธิตาฉชนดอตอฉัรา ไ, ไม่มีอาวุธ น, นะไม่มีอะไเล ย, เลยนะไม่มีเครื่องป้องกันตัวนอกจากกระ บ, บอกแล้โลกซึ่งก็ไม่ได้ใช้แต่พอเสร็จก็เกิดจากเกิดมาตามเชิมหน้ากันชาวบ้านประชาชนเนี้ยเรารู้เลยว่าที่คือตอฉัดอก็บอกว่าอย่าไปทำเขาแล้วที่น่าสนใจคโอรถสิงเนียิเนียมไซเนียจเบิ้เบิ้เบิ้้อยู่หน้าหน้าทหารตน เบิ้ลแต่หลายคนเนี่ยพอพอไปเจอต่อชะดเนี่ยก็จะพูดทักทักทกกนแเฮ้ยอย่าไปเบิ้อย่าไปเบิ้บเขาผูนะ้ที่ต่ะดพู้ที่มาไกลก็ไปเบิ้ลถื่นแทนเบิ้ลต่อชะ ด, ดกกนน เ, เ น, ะดนี่ยคือคื อ, ค, อคือสันติอีกทีของต่อชะโดซึ่งใช้ิภณฑ์ทางนี้คลื่นัลมีส่นช่วยในการควบคุมสาการให้เรีร้อยแลองน้อยเนี่ยต่อชะดมมีใครบเจ็ ไ้ต่อชะลอให้ทำให้ใครบาดเจ็บด้วยาต่สมาคิดว่าเราไม่ค่อยได้เรียนรู้แบบนี้เนี่ยจากต่อฉะลอเท่าไรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยตอนอบสนใจนั้นสมาไปอบรมกับคุณนาดีนี่ใหต่อฉะลอเนี่เป็นปีเป็น2อปีเพราะก็าสนใจในตรงดีแล้วก็ไปใช้ในการจัดการชุมแตกต่างของ้ชุมนนีในช่วก่อนในช่วงก่อนเราทำสักเสร็จมีการชุมเนี่ยต่อชะลอที่สองไปเรื่อยๆ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 เม็ด พ, นพันเนี่ยพันธุ์คืนเนี่ยเอาไปแบ่งจัดสรรให้แก่ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรสองชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าเนี่ยก็จัดสรรพวกเงินเพื่อที่ให้เขาดึงตุนในการประกอบการค้าสามแบ่งจัดสรรที่อวบหรือเงินให้แกข้ารการอย่วถึงบอกกนว่าพระราชาถ่ตามนะฮะตั้งแต่นั้นมาไม่นานบ้านดรัสสมศักดิ์ ไม่มีจดพืลาจมพนแล้วค่อยหายไปในพระไตรปิฎก็เราว่าแม่ก็ทํานเด็กก็ฟ้อนอยู่ในหนกแมที่มีความสุขงานบ้างนี้ก็ต้องมีตัวองค์นี่เป็นตัวอย่างในพระตรปิฎกซึ่งที่เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการกับเงื่อนไขแทนที่เราจะแัดการอญ า, า ก, กรณเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเราจัดการกับเงื่อนไขที่ทำให้เกิดอญา ก, การณความยากจน แทนที่เราจะถามว่าใครทำเนี่ยแล้วก็ความหาตัวคนทำแล้วก็จัดการกับมันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราถามว่าทำไมเขาถึงทำแล้วก็ไปหาสาเหตุว่าเขาทำเพราะอะไรแล้วไปจัดการทางสาเหยุนั้ น, านา ก, การจัดการกับเงื่นไขควาแล่เสําคัญนบะบางครัง้งเราได้เปิดกว่าตาไปจัดการกัะตัคนตัวอตัว อ, อย่างนะเป็นเหตุการณ์เมื่อสัก3ปีก่อน ที่วนครศรีธรรมราประชาชนไม่พอใจชารวจสกตำอกนครศรีธรรมราชเพราะว่าชอบไปรีบไถผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีการกระทบกันที่หน้าสอบนครศรีธรรมราชได้ฮะเรื่องที่เล่าขาวใหญ่ทเทศมีการจดไฟเผาสออาบ้านก็ไปชุมนุมกันที่หน้าสอ ตำรวจใช้วิธีการแบบแบบเรียกว่าแบบแบบขึ้นหมวดส่งพรังเข้าไปจับผู้ชุมนุมได้28คนถามว่าสมองนะจามว่าสมองไม่สมองนะเพราะปกติว่าชาวบ้านเนี่ยก็ทุกตีทรัพย์สินราชการนะคืนที่2นะ คือที่สองที่ก็มาชุมนุมกันอีกนะตำรวจใช้คนรุนแรงสลายทุกคนเหมือน ก, กบบอับคืนแรกทุบตีด้วยกระบอกไล่จับกุมนะเราะเพราะว่าสถานีกรางมากขึ้นประาปชาชนระบายความโกรธทุกตีป้ายจราจรและทำลายสิ่งิ่อสร้างทั่วเมืองเผาด้วยฮนะคืนแรกเนี่ยแค่ทำลายรถยนต์ ที่จอนหน้าสปอแล้วก็เผาบางส่วนพื้นที่สองคราวนี้อาราชทั้งเมืองเลยทุกติกไปจราจรสถานที่ราชการนะทั้งเมืองพื้นที่สามที่ดูพื้นที่หนึ่งะแค่เผาสปอพื้นที่สองเนี่ยทุกตทเมืองที่3เกิดอะไรขึ้นคราวนี้สปอตั้งตัวได้แต่ทำไงฮะ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 ให้ตำรวจ ส, าสานามฟุตบอลสนามกีฬาหนาเมืองคนก็ไปที่นั่นได้ระบายความโกรธแต่ว่าเนื่องจไม่มีการเชิญหน้ากันงความก็ก็อโอกาสที่จะเจรจาก็หมือนเราะชั้นความรุ่ขึ้นเนะี่ยก็มีการเจรจาทุกอย่างจบลงในสุดนะอาตมาเนีเรียกว่าคือการสร้างเงื่อนไขการจัดเงื่อนไขความรุแรงคือที่หนือที่องเนี่ยได้กลุ่มคลใคราชุุม วนวายตียมันจับมันแต่ครัที่3ไม่ได้ทําแหรคนนะฮะแต่ทำเงื่อนขึ้นไถแทนจัด ก, การเรงข่อนไถที่ทำให้คนนี้ไม่มาชุมนุมในที่หน้าหน้าสอบคอ อ, อันนี้เป็นตัวอย่างของการกระจัดื่อนไยของอุนแรงซึ่งทำให้ก็ได้ผล กคนรุนแรงเนี่ยเราต้องดูว่าในภาคตาเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องความรุแนแรงอตาตมาคิดว่านะมันมีเงินขายหลายอย่างนไเนนขายซึ่งในกรณีเนี่ยบบเรียนอย่างกรณีคอมมิสเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างได้บ้านน ะ, ะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดทีเดียสงทรากับคอมิสเนี่ย ยุติได้เพราะคำสั่งของสรอเป็นปัจจัยหลักคำทองสมทรท่องสาเน้ 3, นเรื่องอะไรเน้นเรื่อ ง, าง ก, อนะการจระจัดเงื่อนไขนการกระจัดเงื่อนไขแห่งความรุนแรงอะไรคือเงื่อนไขความรุนแรงคือความยุติธรรมตอนนี้เวิเคราะห์ว่าเงื่อนไขความรุนแรงที่นำไปสู่การต่อสูด้ด้วยการระเบิ ด, ด, ด, ด, ด, ดในชนบทนี่ก็คือความยุตนนิธรรมเพาะอยุติธรรมมีสองอย่าง ในคำสั่งกระทรวงทสองสมึงการชลอรหนนขจ้าหที่2กา ร, ปรเปลี่ยนู่รรัศดรกระทรวงท่าองสมใช้การเมือาใางทหารคือในแต่การตรนี้ต่การกับการชลอกานุนของราชการและแต่งการกา ร, ปรเปี่ยนคู่รรัศดรและเปิดบรรยากาศประชิป ต, าตายขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้เขามาร่วมพัฒนาชาติชาติบ้านอืองพัฒนาชาติไทยอย่างสันติวิธี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 อย่างที่เราเห็นนะครบ้านมันก็สงบสุขไป ไ, ปไปได้เป็นยี่สปีก็เมื่อไทยความรุนแรงที่นำไปสู่สงครามกับสงครามกับสงามประชาชนเนี่ยมันหมดลงไปสมาชิว่าในกรณีภาคสากลในภาคตาเนี่ยเราต้องถามให้ได้ว่าอะไรคือเมื่อไทยความรุนแรงมีเหตุการณ์หลายอย่างแต่มีตัวอย่างเชื่อสมาชิก่าสำคั ญ, ค, ญคือ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 ม, มีสถิตีอันหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือว่าเกือบร้อยละ50ของหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่สีแดงที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นพื้นที่สีแดงเกือบร้อยละ50หือเกบครึ่งหึ้งเนี่ยในสัมผัสอาเต่างดาเนี่เป็นหมู่บ้านที่มีความขัดแย้งทางสถัก่อนเช่นการประกาศที่ทกินทับชทั มีการเปรียบประกาศที่ยัง ท, งที่ินชาว บ, บ้านหรือมีการใช้ปวดูนดล่าอย่างผีกฎหมายเหลือป่ดูาสคัญยังไงเพราะชาว บ, บ้านส่วนให ญ, ญ่เนี่ยัยงชีดได้ด้วยการทำประมงเฉพาะที่ปตนีที่เดียวเนี่ยพบ ว, ว่ามีหมู่บ้านสีแดง 70% เพราะว่ามีหมู่บ้านสีแดง 70% ของจำนวหมู่บ้านที่ติดชายฝั่งแต่จฉ่าะถูกับ ก, กันติดที่เดียวในถาวเดือนนะฮะหมู่บ้านติดชายฝั่งเนี่ยร้อยหนเป็นหมู่บ้านที่ทางตลาดประการเป็นที่สีนแดงทาไมถึงตืข่ขึ้นตรงนั้นเยอะนะเพราะมันมีความขัดแย้งกันเรื่องการประมงตอนที่จะมาเป็นกรรมการสมานน้ำฉันเนี่ยได้มีการศึกษามีการร้องเรียนกัน ในหม oui like e. ู er ่บ้านที่แถวปัตตานีว่ามีการใช้เรือบ่วนลุกลุกเรื่องนี้เป็นปาทลาะกันมาสามสิปีนะฮะชาวบ้านเจอกระทวงเมื่อปีสีหนึ่งที่หน้าสารการปัตตานีโดยทานรัฐบาลตรยทางกระทรวงเกษตรประกาศว่การใช้ปวนลกลที่กฎหมายที่กฎหมายนะฮะ แต่พรากว่าเรืออวนมุนาก็ย no ังมายังมายังมายังมาพวดเปรียดอยู่ในโรยเชายฝั่งพัทลานีแล้วก็สร้างด้วยแล้เรืออลวนมุนาที่มันทำลายมันทำลายมันทำลายทรัพยากรมาเพราะมนเหมอนเอาเช็คเตอร์เนี่ยก็กว่ากว่าพื้นที่กว่าแนวแกระนงแล้วก็แนวแนวปากการัาวบานก็ร้องเรียน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 จำนวนที่ไปไปไปมาเลเซียกล้วพบว่าไก้ป <c oughs> <ito? S 2> ันท <c oughs> <s> ี่มาเลเซียมันความมีอดีว่าันธ์ชาติพันธุ์้ปันตันเนี้เป็นเป็นหนึ่งในติดงในสิบจัวัดที่ใกลกับพิอณุโลกประเทศไทยจะิทธิ์ติ้งก็เตันดีเขาลองเรียนมาที่กรรมการสมานฉันกรรมการสมานฉันก็ติดต่อกับตชอซึ่งเป็นกรรมการสมานฉด้วยผู้ประชาการตชเป็นกรรมการนึ่งใ ในกอสองติต่อกับกระทรวงเกษตรผ่านรองนายกต่บงนซึ่งในกรรมการสภาได้วยสุดท้ายก็เลยมีเจ้าที่ต่ชดดอชะอดและเจ้าที่ทางทา ง, ทางสพยาคาชี่ยวาชาเนี่ยร่วมกับชาวบ้านไปลากตเวนลากตเวนไม่ให้มีร้นปูนรือากเกข้รากฏว่าภายในเวลาแค่เดือนเดียวจับปาได้วันนึง 1, ันทาน้อยา จาก200บาทนะฮะในช่วงสิงหากันยายนเนี่ยพอเรือโอนเลินานท่หายไปหลายทะเเนี่ยได้วันละ 1,500 บางรายได้ถึง 4,000 าวบ้านเารู้สึยินแย้มไปเลยของเงินเนี่ยนี่แหละคือคือสิ่งที่เ็าอยากได้นี่แหละคือความเป็นความที่เขาต้องการมีเกล็ดนะฮรับรากฏว่าหลังจากที่กรทเนี่ยไปไปรับมัวเองจากเรือโ อ, อ, โ อ, อนินขาดใหญ่มาได้เอาขึ้นมาใช้ฟ เป็นค้างไดต้งสี่ปีที่จับได้นะเป็นคั้งแกั้งสิบปีที่จักนะจับเรือประมงเรือแบบนี้ได้และมเก็บไว้ในรุ่นชายฝั่งเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจับได้รดุกนนขึ้นตำรวจปล่อยจับได้ไปรุกนนขึ้นตำรวจปล่อยเป็นย่างนี้ทุกครั้งทาเรื่องขึง้นศาลทาเรื่องขึง้นศาลเพรากผลว่าเรือของกลางไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีที่ที่อายการสั่งฟ้อง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 มันตึ้งในเงือนอง ก, กันควารมรำรงทะเลในวันนี้มีมีของกลางคือเรือบทีแต่พอส่งสารผ่านอุทยานเรือของกลางหายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอัตรักษเป็นกปกติธรรมดาในในสาเลยุโรปใต้และที่แล้คืในในอเรื่องไทความเป็นายุทธรมซึ่งเป็นเรื่องไนของาุ่แรงและถามว่ามันเกิดขึ้นในกิมบุบ้านในสากลยุโรปใต้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 ไม่เคได้ถามนะดังนั้นจากที่เลอกกอสอใช่ไหมปรากฏว่าปัญหาเรื่องอุตุน้วก็ต่บ ม, มาใหม่ต่บ ม, มาใหม่นะไม่ถามว่าชาวบ้านนี่เขารู้สิ่งไหนทำไมในทุนมาทำาอีกฎหมายได้แล้วเขาเกิดร้อนทิรื่้นประทานตัวทานที่หนานไทที่อท น, นี้เิดเห็นผลใช่ไหมท่านที่ทำให้ 60% ของหมู่บ้านริมเทะเล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 การแก้ปัญหาการขจัดเงื่อนไความรุนแรงอันนึเนี่ยก็คือการจัดการกับความผยิบผยันนี้ตรงนี้ประเด็นนี้าคว่าดวเนีมีคาสั่งของรัฐบาลนละงนามในตอนอสริย์เรื่องคาสั่งที่2067นะมุ่งจัดการเงื่อนไขความรุนแรงโดยตรงเลย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 ที่สามารถจะส่งเสริมสันติวิธี ไ, ได้หรือนำไปสู่ความดุรก็ได้คำถามคือว่าเราทำอะไรแต่ตรงนีบ้ังนีนะ้แต่ว่าเา็นิพนธ์ดีนะที่ว่าคำสั่งสองร้ยกทับสินนี้จะมุ่ง ม, มุ่งทิศในการนตรงนี้นละจะมาคว่าตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องซึ่งซึ่งสำคัญมาก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 สิ่งนี้ราคาถูกกระเพื่นผ่านหน้าไม้มากและไม่ต้องสัมซื้อกับต่างประเทศมันมีในหัวแจงของทุกคนแต่จะมีใครนําออกมาใช้มากน้อยเทียงใ ด, ดเท่านั้นเองเทียงใ ด, ดเท่านั้นเองนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราแพ้ถ้าเจ้าทีรัฐแ พ, แพ้คนไทยตรงนี้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะใช้ไม่สามารถที่จะเอาความเป็นธรรมในหัวแตงของชาว บ, บ้านเนี่ยมาสับสนุ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 เป็นคำถามด้วยไอ้ความเป็นธรรมใน ห, หัวใจครัเนี่ยเราใช้มามากพอเรี่ยนะแต่ทำยังไงเราถึงจะทําให้ความเป็นธรรมใน ห, หัวใจครัเนี่ยถานมาเทให้กับรัฐบาลได้ถานมาเทใกับเจ้าที่ได้ตรงนี้เป็นคําถามนะซึ่งมันต้องแก้ด้วยกันจัดตั้งนิรันไข์ความรุนรงประการสุดท้ายนะฮะอันนี้ธรรมไม่มีคําตอบนะ การที่ทีนี้่นเราคือว่าจะต้องหาทางดึงความสับนสนจากประชาชนออกจากผู้กออคํามไม่สงบไม่ได้ทำยังไงีจะทให้ประชาชนนี้ขอการสั่นสนผู้ก่อความไม่สงบอย่างที่เราบอกนะว่าอำนานเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกระบอกปืนฮะอำนามันเกิดจากการที่รัฐตั้ตอสตร์เชื่อฟังผู้ก่อควาไม่สงบทนากัวนะ ความน่ากลัวองเขาท่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ปืนมากเท่ากับการที่เขาในรัฐการสะสมจากประชาชนที่เราเรียกว่าแนวร่ว น, นนะต น, นี้เราอคิดว่าน่ากลัวกว่าระเบิดมากหนากัวปืนเพราะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือนนะเขาระเบิดได้ไม่นานนะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือเขานะเขาระเบิดไดไม่นานเขายิงปืนยิงคนได้ไม่นานกนะ็นต้องถอยก หรือตอที่พอกทรท้อในหลายที่เนี่ยแต่ก็ประชาชนไม่เอาด้วยก็ตกนะเมื่อกรุงคิงไม่ว่าที่ที่ไหนแน่นอนใช้กำลังทหารเข้ไปด้วยแต่ว่าประชาชนก็ไม่เอาด้วยใน่ทางไหนเนี่ยความคิดว่าเราจะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะถอนความร่วมมือออกจากผู้ก่อความไม่สงบได้ ตรงที่ต้อใช้สันติวิธีอย่างเดียวแล้วถ้าทาได้นยะผู้ก่อควาสม่สงก็จะก็จแตัวรีบองมาต้นไม้ที่มีมีน้าต้นมไม้เมืมีน้ำก็จะค่อยๆเรียวลงเรียงนนั้นอาจจะยืนป้ตงตายก็ได้เมือตอนที่พวกก่อพวกพวกบวการแบบแย้ดิแดนด้วย20ปีก่อนพขอขไม่ได้ามสนใจประชาชนมนพวกโจนจคอมมิวนิสต์เขาได้าสนประชาชน ในพื้นที่เขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมาช่ว่ตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นตรงเนี้ยสมาธิไม่ดีต่อแต่สมาราบเท่าที่สราบมันก็มองว่าประชาชนาเนินมากถึงก็ไม่เอาก็เริ่มไม่เอาผู้ขอความไม่สมบแล้วก็ราะเป็นความแย่มากหลือเผู้อความไม่สมเป็นข้าที่ค่าน้องเป็นขาได้เขาจนทเขาเนียก็เริ่มจะเริ่มจะเช็คบิน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 ันเป็เหมือนสัตวที่วิด้วยนะมันไม่ใช่เรการใช้ อ, นะอสุดท้ายน ะ, ะเดี๋ยวทำไมาจะพูดสรุปสั้นๆนะปัจจัยความสาเร็จนะตอนที่วิธีถ้ า, ถามันจะสาเร็จนะรวนทั้งใ น, ใ น, ในกรณีภาคใต้เนีตาายตีคิดว่ามีอยู่ใจมสามส่เรื่องอันที่คือทักษะก็ตต่อประชาชนนะทาท่านต่อประชาชนรผู้ชม มันจะสังเกตุวิทยสมัยนี้ใต้องไ ม, มง่ไม่ใช่มองผู้้ายไม่ใช่มองผู้ชุมนุมหรือประชาชนเพราะก็เป็นผู้รายหรืออก่อนแต่ต้องมองเขาเป็นผู้หลือดร้อนนเป็นผู้เดือด้อนแล้เพำ่มถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยกับคนที่มาชุมนุมในๆ ใ, ใ, ในหท้องที่เนี่ยเราคิดว่าท่าทีจนมนลากขึ้นเดี๋ยวไปมองว่าพวกนี้ถูกจ้างเดี๋ไปมองว่าผู้ที่ถูกซื้อหรือเป็นผู้ที่ถูกล่อลวงอลวง แต่ก็เป็นผู้เดือรอซึ่งมีความเดือดร้อนเป็นตุ้มนะเมีความเรนเป็นตุ้มเขาต้องเขามาถูกหลอกก็มีมากแต่ว่าความเดือนเป็นยพื้นฐานการสรางปุญโฉสอสาเร็จได้ก็เพราะว่าเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเปลี่ยนมุมมองทอกคอนี่แต่ก่อนเรืผู้ก่อรัฐผู้ผู้ก่อการคอมมิวสเปลี่ยนมุมมองเขาเนี่ยจากการเป็นศัตรูต่างชาติให้เป็นเพื่อร่ชาติปุองสาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเปลี่ยนมุมมองส้ใหม่ว่า คนเหนีไม่ใช่ศัตรูต่างชาติแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติตอนนี้เนี่ยจะไม่้องจา ก, จา ก, จากไม่มองเขาเป็นผู้ล่ายเนี่ยก็พยายามไม่ใช้คน ร, รุแรูแลวก็ส้เขาที่สคัญนะัฐบาลถึงตอนที่มีการระท้วงเรื่องทอการมีทอกาสทาตานที่ทกนการจนเททงรปมีการจรทรรจรทที่ขนาดใหญ่ที่สาร มีความพยายามกหน้า ก, กางเมืองที่ทาให้รัฐบาลเนี่ยให้ให้เจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยคือผูอ้ว่าเนี่ยประกบบาศทรา ก, การ ส, รบาร ส, ส, ราสืบประกาศข้ฉุกเฉิพระวาถ้าผ้ว่าสุนทรตอนนั้นเนี่ยท่านูด้วยนาสนใจท่านไม่อยากประ ก, กาศข้อฉุกเชินเพรานนะถ้าประ ก, กาศข้เฉิ น, น, นเนี่ยมันก็จะเร่งงานผูกกระท้วสอบการเสร็จร่งงานถ้าให้เหตผนีว่าผมเป็นพ่อเมืองนไม่อยากยืดเวงให้ลูกคนเล่นให้มันฆ่า ผมเป็นพ้อเมืองไม่อยากยืมเงิให้คนเล่นให้เงินค่าก็เลยไม่ประกาศวุ่กเฉินนี่คือสั้นๆที่มองผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เลวร้ายผู้กำกับสงสารขอสงสรัหมือนกันบอกว่าตำรวเนี่ยเวลาไปตอนตอนเสนตรวจในสุสานไปไปโคนุมความสงบเนี่ยท่าบอกผู้บอกตนวจว่าจะาพบปืนเข้าไปเราจะไม่ออกอะไร ไปหนึ่งบอกว่าให้ตารวจทำใจนะให้ตำรวจยอมยอมเจ็เพราะถ้าตำรวจไม่ยอมเจ็ประชาช่วจะเจ็ตให้ให้ให้ตำรวจยอมเสียสละา <c oughs> ตำรวจเระนัน้นไม่มเกิดปัญหาขึ้นมานายวิทยจินที่เป็นขอวาหน่วยเฉพาะกิจท่านหนึ่งนะาได้พูดถึ ง, งท่านเท่านี่ยในการทางนานกับชาวบ้านซึ่งทาให้ชาวบ้านเนี่ย ให้ความสึกที่ดีต่อต่อนายยองมากท่นผู้อ่านนี้ครับที่เขียนในกระดาษหนึ่งน้าที่ย่องจากแค่ที่ถ้าไปตดนผู้ก่อความไม่สงบอ่าตกบอลนะผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยซึ่งเขาก็มีสังคมมีญาติพี่น้องมีครอบครัวที่ต้องเสียใจเช่นเดียวกันนี่ถ้าไปโดนเขาเนี่ยก็จะมีศัตรูเยอะตามมาแต่ถ้าเขาหลดทันแล้วังเกิดไปโด น, ป, นดประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็จะการเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมาก จะเกิดเป็นเรื่องไข่พันกันตามมายอยีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิงปืนแต่ละในของของสกอรอย์นี่เหมือนนี้นี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่มันองเป็นเรื่องทิที่ทนา ม, มาเพราะฉะนั้น ท, าท่านแยมใช้สิตอจาจาช่นีคอสั้ที่สำคัญในการจัดการกับผู้ชุมนุมนะและประการต่อมานะฮะก็คือการ ความเห็นใจกับประชาชนทำไมตึองให้ประชาชนเห็นใจเราละการเห็นใจส่วนต้องยอมรับนะอันนี้อาจจะเป็นเรที่จวดเหมือนกันความเห็นใจส่วนก็เพราะว่าเจ้าที่สําทลายเมื่อใดก็ตามที่เจ้าที่สงทำลายเนี่ยเราจะพบว่าชาบ้านเห็นใจออกมากรณีคุณยูหกรณีนายิทธิภูมเกียรตในตอนหมมีอสคน น่าึกน่จุดเปลี่ยนสำคัญกันนะฮะตัวอยากที่เราที่เราเพิ่งพัฒ น, น, น์กรณีตั์ไปแต่พอเกิดกรณีตันดนิพพานนี่ลักเดียวกจริง2งครั้งคนเสียสละหลายคนตันหนีตันหนีนอ ย, ยอว่าทำไมไปล่อยให้2คนนั้นตายทำไมไม่ไปไม่ไปชาร์จเพื่ อ, เ อ, เ, อ, เ, อเอาเอาตัวเข้มาแต่ทุกข่ามถ้าได้2คนนั้นมาแต่คนจอ บ, บ, บ, บ้านตายจะเกิดกอะไรขึ้นมันเป็นเยากิ่กว่าตอนที่ตารวจ ไปไปทุกทีผู้ชมหนุนหนาสภาหน้าตรงนี้เวลายครั้งแต่จับก็ได้เยอะแต่ว่าเสียควาแต่การที่เราอยอมรับนั้นเสียชีวิตไปมันทําให้ชาวบ้านเห็นใจรัฐบาลมากขึ้นชาว้านเห็ใจเจ้าที่การมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันคือจะเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญ ก, กันที่บางครั้งเนี่ยการยอมเจตของเจ้าที่เนี่ย มันคือชัยชนะของของบ้านเนแที่ผู้ผู้ใช้สัญญาวิธีในฝ่าประชาชนในยอมให้รัฐบาลยอาให้เจ้าที่ทุกตีรับเพยิทุบตีเจ้าที่ทุบตีประชาชนมกท่าไรเจ้าที่รัฐก็ยิเ่เราะเ่าตัวอย่างที่ามามทรัฐบามนยยิ่งรัฐบาลใช้กำลังกัประชาชนรัฐบาล ย, ยิ่งเสกราแต่นทางยัาผู้ก่อความไมสงบใช้ความนแลกัเจ้าที่รัฐอย่างไม่ยมง ก็จะส่เสียงฟังฟังยอมรับไปเรื่ อ, อยๆฉันไปอเอซก็ไม่เอาเขา้าไปที่ซาอุดิอารมก็ไม่เอาเขา้าเพราะเห็นว่ามันป่าเถือเ่อินไปการไม่ตอกต้มไปเจอความรุแรงสาคัญเหมือนกันนะไม่ตอกต้มไปเจอความรุนแรงอันนี้คือไปแต่งความเฉยเมยสันติวิธีสัิิธีนักประชาชมาเยี่ก็สาเร็ุได้ก็เขาไม่ตอกต้มเมืเ่เจอความรุนแรงจากภา แต่้องต้องคิดว่าในทงเจ้าที่ภาครัฐ ก, ก็ประสบควสำรประสบคามสำเรไดมนั น, นว่าเจอคนแรงไม่ตอบโต้ไม่ ต, อ, ตอย่างอย่างเกินเหตุนะแล้วก็ความเป็นวิ้ท้ิที่น้องมุมือก็สาคัญ ก, กันแต่ทั้งหมดนี้สุดท้ายที่เข้ามาอยู่ที่เรื่องการจัด ก, การกับเงื่อนไ ค, ความรุนแรง ที่อาจารด์เล่นเรื่อยๆก็อาจาพูดมาบ้าแต่ว่าที่จริงอยากได้มีเวลาเวลาสักถามเระว่าตอนที่อาจารย์คุยกันเองก่อนนะฮะอาจาอยากให้ลองลองคุยกันเองสักหน่อยนะฮะแล้วเดีจะมีการสักถามกันต่อไปนี่จะแบ่งจะแบ่งกลุ่มย่อยนะเชิญ